หรือจะชำแรกแทรกลงไปอยู่ใต้แผ่นดินก็ดีจะหนีอยู่ในที่ใดที่ใดก็ดีที่จะได้พ้นจากบ่วงแห่งมัจจุราชหาไม่ได้อนหนึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดราจารย์มีพระพุทธบัญหารตรัสว่าบุคคลจำเริญพระปริสนั้นแหละจะพ้นจากบ่วงแห่งมัจจุราชได้พระปริษนั้นคือสิ่งไรอ๋อ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 หรือที่จะคิดผันผ่อนร้อยกรองข้องขัดอยู่ตวานุปปโตมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัญชาแก้ไขในการบัดนี้พระนาคเษน จ, จิงวิสัชนาว่ามหาราชะขอถวายพระพอรบอบพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระบรมโลกกาณาศาสดาจารย์มีพระพุทธดีกาโปรดประธานไว้ด้วยบาทพระคาถาชะนี้ว่า ณอันตลิเเคณนะสมุทธรรมเชณนะปพัพพตางวิวรังปรวิสาณนะวิเชเ ต, เตโสชาคติปเทโสอันตรัติตังนะัปะสะเหยยะมัจจุดังนี้อธิบายความตามกระแสพระพุทธดีกาตรัสว่าบุคคลที่มีฤทธาศักดาเดชอาจเหาะระเห็ดไปอยู่ในอากาศ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 จะจริญพระปริศไม่ให้สิ้นอายุเลยนั้นไม่ได้คงจะตายแลแต่ทว่าคอยกันพระยามั จ, จุราชให้ช้าอยู่เพื่อให้อายุยืนไปแต่กรณีได้อยู่บ่อพิษพระราชาสมภารถ้ว่าการกําหนดสิ้นอายุแล้วถึงจะภาคเพียนจำเริญภาวนาอย่างไรก็คงจะไม่ฟังเปรียบดุดดังต้นไม้อันตายแล้วสุกสะ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 ยังมีทานบผบุตรอาสูนผู้หนึ่งรักษาซึ่งภริยาของอัตมาให้ภริยาลงอยู่ในผ อ, อบใหญ่แล้วกลืนผ อ, อบนั้นเข้าไปรักษาไว้ในท้องของตนอัถวิชาทโรปางนั้นยังมีวิชาธรคนหนึ่งจึงเข้าไปในปากของทานบอาสูนนั้นแล้วก็สมัครสังวาส ด, ด้วยภริยาของทานบอาสูนนั้นครั้นทานบอาสูนนั้นคนํานึงถึงภริยา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 พระผู้เป็นเจ้าเขาเล่าลืออื้ออึงอยู่ทั้งมนุษย์โลกและเทวโลกเล่ากันสืบสืบกันมาเล่ากันสืบสืบมาพระนาคเกษนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรอวบพิษพระราชาสมภารผู้ทรงพระราชาสวัสดิสถาภรณ์ตกว่าวิชาทร น, นั้นทานบอสูรจับกลุ่มไม่ได้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 มีมั่นคงอย่าได้สงกาสุตังปณะตยายังมีนิทานหนึ่งเล่ามีมาแต่การก่อนบอพิพรราชจะสมผ่านเจ้าได้ฟังอยู่หรือว่าเอโกวิชาทโรยังมีวิชาทอนผู้หนึ่งไปลอบลักพิสวั์ด้วยพระมเหสีแห่งพระเจ้าพารานสีพระเจ้าพารานสีจะจับก็จับไม่ได้ขณะเดียวก็เหาะไปด้วยกำลังมนอันเชี่ยวชาญ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 เพราะไปด่าว่าทุบตีเขาท่านในบ้านนั้นก็ให้ชุดคราบุตรนั้นไปเบียดเบียนขคี่ยนตีด้วยท่อนไม้และสอกเขาตามพระราชจะกำหนดกฎหมายโดยสมควรแก่ความผิดมารดาของบุตรนั้นจะเข้าไปขัดขวางต่อในบ้านผู้ลงโทษแก่บุตรนั้นได้อยู่หรือประการใดนะบอพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินมีพระราชโอการตรัสว่าณิพันเต อย่างนั้นหาไม่ได้พระนาเคเษนจึงมีเทระวาจาว่าเหตุประการใดเล่าพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระนาเคเษนผู้ปรีชาบุตรนั้นต้องโทษ ด, ด้วยกรรมอันดาตีเขาเป็นผู้มีความผิดใครจะช่วยได้พระนาเคเษนจึงว่าชั้นใดก็ดีดูกระระบ่อพิษพระราชสมภาร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 ช่างพิภากษาบรรดาที่ว่าจะสงสัยพระผู้เป็นเจ้าก็กระทามิให้สงสัยอันทะกาโรบรรดาโลกจะตามืดไปอาโลโกโกโตพระผู้เป็นเจ้ากระทาให้ตานั้นสว่างทั่วกระจ่างแจม่มใสวิณิเวกทีตังพระผู้เป็นเจ้ามาเคลียคลายเสียซึ่งขายคือทิฏฐิพระผู้เป็นเจ้านี้มีปัญญาประเสริฐกว่าเจ้าหมู่เจ้าคณะทั้งหลาย